นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเผียวธรรม .com มอารมาพระไพบูญกับพี่บุญโหนทุกสัปดาห์ก็จะมากับคุณมอนัทพงศ์ครับกราบนะ้ำมศกาลและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมธันทแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุฬจากกรุงเทพครับตอนนี้เป็นเอพิส od ที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอห้าิบสอครับห้าสิบสอก็ปีหนึ่งพอดีครับ น, นผ่านมาปีหนึ่งแล้วก็นี่ก็จะเริ่มขึ้นปีที่สองในวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึง เรื่องของอะไรบ้างก็สติน ะ, ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของสติใช่ไหมที่เวลาที่เราเดินเวลาที่เราสังเกตลหมหายใจอย่างเงี้ยมันจะมีก้อนหรือจุดหยุดจุดหนึ่งที่เราเข้าไปรู้การหายใจหรือรู้การเดินตรงนี้ใช่ไหมเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบของอย่างเฮลิคอปเตอร์นะเราไม่ได้ดูเป็นจุดเป็นจุดในตัวเฮลิคอปเตอร์แต่เราดูโดยรวมทั้งหมด นะเช่นเดียวกันกับหน้าของคนควันนี้ก็จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นหน้าของคนอย่างเงี้ยแต่มาพูดถึงหน้าของคุณหมอรัตนพงศ์อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเออหูคือทุกคนก็มีหูอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ตาอยู่บนจมูกจมูกปากก็อยู่ใต้จมูกจมูกก็มีสองรูแ้่ทุกคนก็จะมีใบหน้าในลักษณะนี้แต่เราจะไปรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นใครนะคือเราเขาดูโดยรวมทั้งหมดใช่ไหมดูโดยองค์รวมของความเป็นหน้าอันนี้เขาเรียกว่ากําหนดโดย นิมิตหมายถึงเครื่องหมายทั้งหมดแต่ถ้าเราแยกเป็นส่วนส่วนตานะหูหูเป็นอย่างนี้นี่คือโดยอนุปพยัญชนะถ้าดูเล็กลงไปอีกเป็นเซลล์นะเป็นอวัยวะต่างๆดูเล็กลงไปอีกเป็นโมเลกุลใช่ไหมนี่เป็นคาร์บอนนี่เป็นไฮโดรเจนดูเล็กลงไปอีกนี่เป็นอะตอมคำถามว่าจุดไหนคือของเรามันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหมายรวมว่าอันนี้คือใบหูงหมอทศพลนะนี่คือใบหูงท่านผู้ฟังนะนี่คือหน้าของท่านผู้ฟังนะนี่คือจมูกนี่คือปากเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เพราะนั้นเวลาที่สติของเราเข้าไปจับจิตของเราเข้าไปรับรู้เนี่ยนะเราเข้าไปรับรู้ในจุดที่เราจะรู้ได้ก็้าใจไหมในกรณีนี้ก็คือว่าใบหน้าของคนนี้เราระลึกถึงใบหน้าของคนนี้เนี่ยคือเราระลึกถึงฟีเจอร์โดยรวมทั้งหมดอืมภาพรวมแล้วถ้าจิตของเราละเอียดลงไปนั้นเราจะเข้าไปถึงระดับของอวัยวะส่วนต่างๆละเอียดลงไปแเราจะเข้าไปถึงระดับของเซลล์ละเอียดลงไปแล้วเข้าถึงระดับของโมเลกุลละเอียดลงไปแล้วเข้าถึงระดับอะตอมอย่างเงี้ยนะ มันก็จะค่อยละเอียดลงไปในการเห็นตามที่เป็นจริงก็ลักษณะนั้นเหมือนกันคือจิตที่มีกําลังเนี่ยมันจะเล็กลงหมายความว่าการรับรู้ของมันได้จะละเอียดมากขึ้นเหมือนกับปลายเขม็มหรือเหมือนกับแสงเวลาผ่านเลนส์นูนเนี่ยมันจะรวมแสงถูกไหมอ่าใช่ครับยิ่งเล็กมากเท่าไหร่ยิ่งมีกำลังมากขึ้นอมีกําลังมากครับเพราะฉะนั้นอย่างความที่เราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เนี่ยจุดนี้ยก็ใหญ่หรือเล็กมันก็ตามระบบของเขาอะนะ แต่ยควาว่านะถ้าจุดใหญ่ใช่ไหมเราเราก็จะเห็นตามที่เป็นจริงในระบบใหญ่ๆระบบกว้างๆอย่างนี้ซึ่งก็ต้องขยายความต่อกันไปตรงนี้ก็เหมือนกับที่เปรียบเทียบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเหมือนกับสปอตไลท์ที่เขาซูมที่เขาสามารถปรับให้เล็กให้ใหญ่ได้ ค, นะความเข้มของแสงก็ให้เข้มมากได้เข้มน้อยไดนะ้นี่คือเรื่องของสติ คือเรื่องของการเอาจิตไว้ที่ไหนเรื่องของสติด้วยครับอีกประการหนึ่งที่จะพูดในสัปดาห์นี้ก็คือคอะไ ร, รเรื่องของอิทธิบาท4ี่อ๋ออิทธิบาท4อิทธิบาท4ีท่4เนี่ยก็คือบัตรฐานแห่งความสำเร็จถูกไบัตรฐ า, านแห่งอิทธิวิธีในที่นี้ที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าต้องมีองค์ประกอบสามอย่างคือส่วนที่เป็นทำเครื่องปรงแต่งส่วนที่เป็นสมาธิ แล้วก็ส่วนที่สันทัศวิยาจิตวิมังสาใช่ไหมทำเครื่องปรุงแต่งในที่นี้ก็คือป้าหมายในชีวิตเน่ยสันทัศวิยาจิตวิมังสาก็ส่วนที่2แล้วก็สมาธินี่คือส่วนที่3ามรวมกันทั้งหมดเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเรามีสรรีสันนั้นประเด็นของอาตมาที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าคือชีวิตเราจะอยู่ไม่ได้นะถ้าเราไม่มีอิทธิบาทสีพระเจ้าพูดไปชัดเจนว่าการเจริญอิทธิบาทสีเนี่ยทำให้ชีวิตเนี่ยครบไปหนึ่งกับถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคไม่เจริญอิทธิบาทสีชีวิตก็สั่งกาย มันอยู่ไปวันวันเบื่อตื่นเช้ามาก็ไม่รู้จะทําอะไ ร, รโอ้เบื่อนอนนอนเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรมันมันจะเอิมมันจะเบื่อมันจะต้องไปหาสีสันของชีวิตทําให้บางคนเนี่ยไปพลาดพอเจอเพื่อนชั่วประกกพูนชวนไปกินชวนไปเล่นอ๋อชวนไปดื่มเหล้าเมาเบียเข้าเถกเข้าผับแต่เพราะว่าคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่จะทําให้เราไม่ถูกดึงไปโดยทางอื่นนีสีสันไปหาสีสันอย่างที่ผิด หาสีสันในทางประมาทหาสีสันในที่เป็นทางกามแต่ถ้าเราเนี่ยมามีอิทธิบาทสิมีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยการทํางานของเราตรงเนี้จะตื่นเช้ามาปุ๊บเราจะมีเป้าหมายในชีวิตเราจะไม่ขี้เกียจในความขี้เกียจจะหายไปเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เป็นอกุศลใช่ไหมส่วนที่เป็นอกุศลเนี่ยเราจะถูกละไปแล้วด้วยฉันทะวิยะจิตตวิมังสาคือการเจริญในลักษณะที่อกุศลจะเกิดไม่ได้คือเจริญฉันทะแล้วจะมีสมาธิอกุศลไม่มีอยู่แล้ว นะเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าคุณตื่นมาขี้เกียจคุณตื่นมาไม่รู้จะทําอะไรแสดงคุณไม่มีอธิบัติศีลเป็นคน<ม>กลวงเป็นคนคที่ลวงโลกเป็นคนที่ไม่มีแก่นสารสาระในชีวิตก็ควรจะตายซะครับแ ต, แต่ถ้าคนที่มีสาระแก่นสารในชีวิตชีวิตมีสีสารตื่นมามีเป้าหมายใช่ไหมชีวิต ค, คุณรู้ว่าคุณจะทําอะไรกับชีวิตของคุณนะเข้า<ม>ใจไหมออตื่นมาปุ๊บมันจะเด้งพึ่งออกมาจากเตียงเลยฉันต้องทอําอะไรกระชับกระเชงไม่มีคําว่าขี้เกียจใดๆทั้งสิ้น อาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขทําให้เราสามารถส่งเจริญอิทธิบาตสีได้ครับก็บจะเป็นคนที่ไม่ควรตายถ้าคุณยังไม่เป็นโซดาบันเรวก็เป็นคนที่ควรจะทํามรรคผลนิพพานให้แจงได้มันไม่ใช่แค่เรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเดียวมรดพงคณาพาตคนไหนนะที่สามารถจะหาเงินได้มากๆโดยความที่ตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามศีลธละถามแหม่คนนี้เป็นมีธรรมะ อเพราะพระรูปรรมบอกว่าถ้าคุณรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อหาโพกรัพั์อย่างนี้นะเป็นโพกระซับที่ได้มาโดยทําเป็นโพทระซับที่เป็นธรรมอันนี้คนยกย่องเขาในฐานะที่หนึ่งเพราะถ้าคุณหาทรัพย์มาได้ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมด้วยกำลังแขนมีความเพียรมีรวบรวมด้วยกำลังแขนแ น, นั้นจัดทาเองก็ได้ให้การทําก็ได้อานาพที่บริสุทธิ์ไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่มีมิจฉาอาชีวะอย่างเงี้ย ค, คุณได้เงินมากได้เงินน้อยไม่เป็นไร แต่ว่าคุณถูกยกย่องแล้วด้วยฐานะที่หนึ่งถ้าไม่มีใครยกย่องไม่เป็นไรมาฟังรายการเพียวธรรมะเปิดทําที่ถูกปิดพักออนไลน์ฟอทแคสต์นี้ เ, เรายกย่องใอับเพราะว่าคอะไรเพราะว่าคุณยังเป็นคนที่ควรยกย่องในฐานะที่หนึ่งกลับเงินได้มาเนี่ยโอ้โหด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นนะคุณเจรออิทธิบาทสี่นึเหรอวใช่ครับตื่นมาโอ้โหไหลนี่สุดเลยแล้วก็เดินไปทํางานไม่ได้เรื่องเลยหมอรัอตบงไม่ได้เรื่อง แต่เรามีความหมายชีวิตเรามีความหมายมีเป้าหมายในชีวิตอย่างสมมุติคุณไปที่ทํางานเนี่ยโอ้ยเซ็งวะ่ะเจอหัวหน้าเพื่อนลงงานแม่งก็หวยงานเราก็เบื่อไม่อยากแล้วจิตคุณไม่มีสมาธิละ่ะคุณไม่มีฉันทะที่จะทําให้จิตคุณมีสมาธิได้แสดงว่าชีวิตคุณนี่เซ็งกระตายครับมีเพื่อนช่วยยิ่งแย่เลยใช่ครับอืม <laughs> เพราะฉะนั้นเราต้องเจออะไรอีกที่บาศีในทุกๆด้านไม่วจะเป็นงานของเรา การหาเงินการเลี้ยงลูกการเลี้ยงชีวิตเพื่อนเพื่อนสนิทมิตรหายนะบางคนมี2อสมจ็อบเช้าบ่ายภาคค่าอะไรต่างๆทำซ่าเรื่องการเรียนหนังสือคุณต้องมีอธิบด4ไม่งั้นเราจะเป็ไม่รอดจะถูกชักชวนไปในทางไม่ดีจะมีเพื่อนชั่วจะทําสิ่งที่ผิ ด, ผ, ดผิดเสียเสียหายหาย ใ, ให้ชีวิตของเรามีสีสันซะด้วยกา ร, รนน ท, าทำอธิบดีทําให้ถูกต้องแล้วเราจะตื่นมาอย่างไม่มีความขี้เกียจ เราจะตื่นมาอย่างมีกําลังเราจะตื่นมาอย่างที่ไม่สังกัดตายครับความขี้เกียจเนี่ยจะหายไปโดยอัตโนมัติเลยด้วยการมีชันทะวิริยะจิตตะวิมังสายอย่างนี้ครับแค่เปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวใช่ครับนะคิดให้ถูกต้องก็ใช่<ม>แล้วในกรณีของธรรมะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสิ่งเดียวนะมอรัฐพงที่อาราพิจารณาดูแล้วเนี่ยพราบว่าอายกตัวอย่างเช่นสมมติมรัฐพงศ์ให้หนังสืออารมามาเล่มหนึง่ง ครับคือหมอรัตพงศ์เนี่ยเสียหนังสือไปแล้วนะอาตมาได้หนังสือมาอืครับหรืออาตมาให้หนังสือหมอรัตพงศ์ไปเล่มอีกเล่มหนึ่งอาตมาก็จะเสียหนังสือไปหมอรัตพงศ์ก็จะได้หนังสือมาเล่มหนึ่งครับแต่ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ใครได้แล้วเนี่ยนะคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยอืที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าเนี่ยพวกเธอทั้งหลายจงขวรควายในประโยชน์ของตนเถิบนะให้ประโยชน์ของตนคือธรรมะเนี่ยให้เอาธรรมะเข้าใจของเราทําให้บางคนไปคิดว่าโอ้ยนี้เห็นแก่ตัวนี่ว่า เห็นแกตัวนั้นเนี่ยตัวเองจะรู้ธรรมะคนเดียวไม่เห็นช่วยคนอื่นเลยนะเป็นความคิดของบางคนมีความคิดอย่างนี้ก็เพ<ช>ราะคุณเอาธรรมะไปเ ป, ปรียบเทียบกับสิ่งของเป็นการแบ่งเคก้กจริงๆไม่ใช่เป็นการแบ่งเค้กทําไมอรมาถึงพูดประเด็นนี้เพราะว่าเมื่ อ, อไร่สมมติเราบอกว่าไอ้ฉันจะขนขวายประโยบของฉันเองแล้วฉัไม่แคร์ใคร น, นัถ้าเธอบอกว่าเธอไม่แคร์ใครนะโอ้ยอันนี้พูดอย่างแสดงว่ายังไม่รู้ธรรมะจริง ดีแล้วแหละที่จะคุนขวายในประโยชน์ของตนเพราะอะไรเพราะบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะคุนขวายประโยชน์ของตนเพื่อรู้ธรรมะนะหมอรัตพงศ์จะเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลนี้บุคคลนี้จะอดทนกับบุคคลอื่นบุคคลนี้จะมีเมตตากับบุคคลอื่นบุคคลนี้จะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นบุคคลนี้จะมีความรักใคร่เอ็นดูกับบุคคลอื่นการที่เรามีความเมตตากับคนอื่นมีความรักใคร่เอ็นดูไม่เบียดเบียนอย่างเงี้ยเป็นการที่เราเทคแคร์คนอื่นด้วย S <S การที่เราได้ประโยชน์ตนคือการเสพธรรมะเจริญธรรมะทําให้รรมากซึ่งธรรมะเนี่ยจะทําให้คนอื่นได้ประโยชน์นะหมอนรพงศ์อ๋อไม่ใช่เรารเป็นฝ่ายเอานะเข้าใจไหมครั บ, รบอ่เพราะฉะนั้นถ้าเรา บ, บ, บอกว่าเออเธออ่านอะไรอ่านหนังสือธรรมะอ่านไปทำไมเอาเวลาไปจีบกับฉันดีกว่าเธอไม่รักฉันนี่เฮ้ยกูไม่รู้เรื่องเพราะถ้าจิตของฉันมีธรรมะแล้วเนี่ยฉันจะยิ่งรักเธอมากขึ้นนะมีเมตตากับเธอไม่เบียดเบียนเธอรักใครเอนดูเธออย่างนี้ เพราะฉะนั้นพิจารณาไปแล้วก็ไม่เห็นสิ่งใดที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคือเราได้เขาก็ได้ด้วยเรามีประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่ว่าใครคนหนึ่งได้ต้องคนหนึ่งเสียนี่คือลักษณะของวินวินสุดเดชจริงครังแล้วก็ถ้ามีใครมาบอกว่าเธอขวนขวายแต่ประโยชน์ส่วนตัวศาสนาพุทธนี่เห็นแก่ตัวพวกเทรวานี่ไม่รู้เรื่องไม่ช่วยคนอื่น เหมือนกับเอาตัวเองหลุดพ้นใช่เคยเคยมีคนพูดบ่อยกับว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าปฏิบัติไปแล้วตัวเองหลุดพ้นแล้วคนอื่นล่ะเลื่อนร่วมโลกลรออะไรไม่เข้าใจไงเพราะว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติไปเรื่อยๆเอายังง่ายๆคุณทําการงานอาชีพอย่างเต็มที่ขยันขันแข็งนะไม่เกียดคร้านไม่โกงใครไม่หลอกใครอยู่ในสี่ห้าทำอย่างเต็มที่ตรงนี้เอาแค่นี้เลยนะหรือว่ากรณีที่สองคุณเลี้ยงลูกอย่างดีไม่ต้องถึงกับเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่งหลับตาไม่แคร์ใครหรอกนะแค่เนี้ยถือว่าคุณ แสดงธรรมะแล้วนะถามว่าจะเบียดเบียนใครไหมไม่มีใครได้รับการเบียดเบียนเลยนะไม่มีใครจะถูกเราฆ่าไม่มีใครจะถูกเราขโมยไม่มีใครจะถูกเราประพฤติผิดในการมเพราะรเราอยู่ในศีลถูกไหมแล้วถามว่าเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราเป็นไงจิตเราสบายทาให้จิตเราจเจริญเมตตามีความรักความเมตตาได้นะเพือ่อนมนุษย์ก็ไปกันได้ความจเจริญของมนุษย์เนี่ยบางคนไปวัดกันที่ว่าโอมีถนนแปดเลนนะมีโทรศัพท์ iPhone ้ใช้โทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มเลย มีอะไรแท็บเบลต็ตต่างๆมีคอมพิวเตอร์เยอะแย yeah. นะเนยมีส่งคนไปตรวจพวกนั้นก็ดีระดับหนึ่งเป็น<ต>ทางวัถตถุแต่ถ้าเรายังด่ากันว่าการไม่อยู่ในมารคนี้ก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือธรรมดาๆนะแต่ว่าถนนก็เป็นถนนขรุขระบ้างมีลูกรังบ้างมีอะไรบ้างแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก น, นะไม่ด่า ก, กันสมมติคุณขับไปถนนเนี่ยรถคว่ำปุ้มก็มีคนมาช่วยเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีอาสาสมัครมาช่วยกันโบกรถ<อ>กั้นถนนหรือว่ารื้อรายเงินมาทําถนนให้มันดีขึ้นเล็กๆน้อยๆตามเท่าที่กำลังที่เรามีไม่ต้องถึงแต่ขยายถนนแปดเลนยกขึ้นสูงก็ได้อย่างนี้เรียกว่าบริเวณนั้นจะเจริญแล้วอืมเจริญทางจิตใจอ่าเป็นบริเวณที่จเจริญผู้ชาววัดอย่างนี้อย่างอย่างความเจริญในสมัยของภาษีเรืเมตไตรอย่างเงี้ยก็พูดถึงความเจริญในลักษณะนี้อืมอความเจริญทางจิตใจที่จริงๆมันมันสูงค่ากว่านะครับแต่มันก็ จับต้องไม่ได้นะครับท ำ, ท, ำทำให้บางคนเหมือนทำให้ทาให้วงคนไปคิดว่าไอ้ความเจริญทางจิตใจเนี่ยมันจะแปลผ่านตรงกันข้ามกับความเจริญทางนาวัตถุซึ่งไม่ใช่ไงออทำให้บางคนคิดว่าฉันต้องออตรณีฉันต้องเห็นแก่ตัวฉันต้องเป็นทุนนิยมเพื่อที่ว่าฉันจะได้ผลิตสิ่งออกมาเป็นอินโนเวชั่นให้กับสังคมเป็นสิ่งใหม่ๆอันนี้คุณก็คิดผิดเพราะอะไรเพราะจิตที่ตรณี ที่เป็นอกุศลเนี่ยคุณจะไม่มีสมาธิในการคิดที่คุณจะไม่แบบสายปิ้งแล้วก็อินโนเวทสิ่งใดๆขึ้นมาได้อืครับอย่างคนที่เขาจะคิดคนอะไรใหม่ๆนี่นะตอนที่เขาคิดเนี่ยบอกให้เลยทั้งร้อยทั้งร้อยเ็นเขาไม่ได้มีความคิดว่าโอ้ฉันจะต้องขายได้อย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะต้องเป็นเจ้าของแพทเทิร์นอะไรต่างๆไอ้ความคิดพวกเนี้ยมันมาภายหลังออืจากกรณีที่มีเพื่อนชั่วครับแต่เพื่อนชั่วก็จะแนะนําเลยว่าเฮ้ยไม่ได้นะอันนี้ต้องแพทเทิร์นนะต้อง ประทับต า, า, าไว้ไม่งั้นคนอื่นไปโจมที่กษรริต ม, มาโกงเอาไปหรือว่ามีนักลงทุนที่เขามาทำเป็นขายขึ้นมาหรือว่าถูกหัวหน้ากดดันทำให้เราผลิตสิ่งของอะไรสักอย่างแดงหนึ่งออกมาเพื่อบริษัทอย่างเงี้ยเขาเอาไปขายทำเงินนนันโดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนี้ซึ่งก็เป็นกรณีที่เราจะต้องมาเรียกว่าทำตัวเองเราให้ดี ถ้าตัวเราทําดีแล้วนะหม อ, ร, อมรัตพงศ์มันก็จะส่งกระแสออกไปได้กระแสในที่นี้ก็คือความรักความเมตตาไม่มเบียดบีมีเมตตาจิตรักใคร่เอ็น ด, ดูใช่ไหม ค, คนข้างๆก็จะช่วยๆกันดีขึ้นได้เป็นกระแสจิตที่แผ่ไปได้ใช่ไหมครับเหมือนเราแผ่เมตตาอย่างนี้นในเรื่องนี้พระเจ้าจึงบอกว่าเอาความดีชนะความชั่วครับเดีวนี่เราเคยพูดถึงเรื่องเวลาที่เราล้างน้ําท่วมเราได้พูดถึงเรื่องนี้ไปหอยัง อ่าน้ำท่วมแล้วพูดหลายตอนเหมือ<า>นกันครับน้ำท่วมแล้วเราก็เอา <c oughs> คือพอน้ํามันลดใช่ไหมมันจะมีคราบตามฝาผนังใช่ครับโอ้โหทั้งเละทั้งเหม็นทั้งเน่าเชื้อราโอ้โหไม่อยากจะมองเข้าไปนี่ต้องเอาอะไรปิดจมูกเอาไว้เวลาเราล้างเนี่ยเหมือนวเวลาเราล้างออกเนี่ยเราไม่เอาอุจจาระปัสสาวะมาล้างเข้าใจไหมอ่าแล้วก็น้ำเราต้องเอาน้ําสะอาดมาล้างล้างรอบแรกเนี่ยเพื่อเอาคราบหยาบๆออกก่อนแล้วยังต้องล้างรอบสององเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าเอาแฟบลงเอา ขัดจัดอะไรที่มันเอาคราบออกแล้วยังต้องล้างรอบที่3ามนะล้างตามจุดเล็กๆอะไรที่มันเข้าไปตามซอกต้องล้างสามรอบ4ี่รอบกว่ามันจะสะอาดด้วยน้ําดีเท่านั้นแต่เช่นเดียวกันเราจะเอาชนะความชั่วได้ต้องด้วยความดีเท่านั้นสมมุติมีคนด่า ก, กันในออฟฟิศมีคนทําไม่ดีในออฟฟิศมีคนคโกงกันในที่ทํางานโกงในระบบราชการแล้วคุณบอกว่าเออฉันต้องโกงด้วย <m uch> มันโกงฉันต้องทำเธอดา่าฉันฉันต้องด่าเธอตอบแล้วเธอทำไม่ดีฉันต้องทําไม่ดีตอบเธอขึ้นเวทีดา่าฉันลงอลนินเทอร์เน็ตด่ามันไม่ได้เรื่องหรอกเพราะว่าคุณจะเอาความชั่วไปชนะความชั่วไม่ได้คุณ<อ>จะเอาน้ําเสียไปล้างน้ําดีไม่ได้อืออันนี้สําคัญเลยนะครับอตอนนี้เพราะว่าคนเรามีความคิดที่ผิดกันเยอะนะครับว่าขเขาแรงมาเราต้องแรงกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันผิดทางไงเพราะคุณคไม่รู้ถ้าคุณเอาน้ํา มไปเอาปัสสาวะอุศราไปล้างน้ําไปล้างกําแพงมันไม่ได้เนาะตรงนี้ศ์เรารรเราเราต้องเอาความดีชนะความชั่วอเอาเอาพระพชาบอกเอาเมตตาชนะความกโกรธแล้วคนกโกรธมาทําไงเรากโกรธตอบให้แรงกว่าเขาเหรอคุณผิดเลยยิ่งเละดูอย่างน้ําท่วเป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคนโกรธมาเราต้องทําไงเมตตาตอบนะคนเอาคนโกงมาเราต้องชนะด้วยความซื่อสัตย์ ครับผู้ประชาพูดไว้ชัดเจนเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธตอบเอาชนะความชั่วด้วยความดีตอบครับอืแล้วก็ถ้าเราจะเอาสมมุติคนหนึ่งเขาทําดีเราอยากจะดีกว่าเขาเราทําไงเราต้องยิ่งทําดีให้มากขึ้นกว่าเขาอืมสมมุติคนอื่นดีอยู่แล้วอะนะเราต้องทําให้ดีขึ้นเราก็ต้องเอาความดีมากยิ่งกว่าเขาแต่ไม่ใช่การทับถมกันใช่ไหมครับหรือทําด้วยด้วยจิตที่เป็นกุศลมา ทำดีเพื่ออให้ให้มันดียิขึ้นใช่ไหมครับดีในที่นี้หมายความว่าเราประพฤติตนเป็นทายาทใช่ไหมเริ่มต้นเป็นทายาทหรือประพฤติตนเป็นเพื่อนที่ดีเป็นผู้ที่ศึกษาอย่างดีจากบุคคลอื่นอย่างเงี้ยครับพระพุทธเจ้าก็เคยบอกว่าให้ทุกพระทุกองค์เนี่ยเอาพระองค์เป็นตัวอย่างในเองการทําจิตซึ่งซึ่งทําไม่ได้หรอกคุณเป็นสาววคุณจะไปเหมือนพระทธเจ้ามันยากแต่พระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าให้เอาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่าง ในการข้อปฏิบัติในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะครับเพราะน้เราต้องเอาชนะความดีด้วยความชั่วเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธล้างน้ำเสียด้วยการใช้น้ำดีนำดคนอื่นโกรธมาคนอื่นพูดไม่ดีเราต้องยิ่งพูดดีคนอื่นพูดกันแนกกระแหน่พูดยุให้แตกกันเราต้องพูดยังไงให้สมานสามัคคีกันครับอย่างนี้เราต้องอาศัยขันติ โสดละจะเยอะเลยนะครับโอ้ต้องอะไรทุกอย่างเลยหมอรัตพงครั บ, รบารทาการสํารวมอินทรีย์เป็นผู้มีสติเป็นคนมีเมตตาความกลัวความละอายในบาปเป็นคนมีศรัทธาในคําสอนพรุทธเจ้าโอ้มันทุกอย่างเลยคุณยังทําตรงรนี้ได้ครับมองเคยมองว่าเนี่ยการที่เราเจอผัสสะอย่างเนี้ยที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นยอดเลยไม่ทราบผมคิดถูกไหมครับ อย่างถ้าเราไปเข้าคอร์สเนี่ยมันทุกอย่างมันเอื้อที่จะให้เกิดจิตสงบอะไรแต่ว่าพอออกมาในชีวิตทางโลกเนี่ยโอ้มันสารพัดแบบอืเหมือนมาทุกทางเลยครับใช่ถ้าเราโอ้ต้องงัดเอาธรรมะทุกหมวดมาใช้อสนามจริงกับสนามซ้อมจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพอเข้าสู่สนามจริงแล้วเนี่ยโอ้หจิตเรามันก็จะถูกทุกด้านนะมันจะแตกได้ถ้าเราไม่มีกําลังเพระพุทธเจ้าจึงให้ให้เรียกมีการให้อาหารของจิต <S <S การหลีกเร้นก็ตามการที่คุณนั่งสมาธิบ่อยๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยเป็นการให้อาหารจิตนะทําอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆก็จะทําให้จิตของเรามีกําลังพอเวลาไปออกสนามจริงเจอประสาทที่ไม่แรงจริงๆเนี่ยเราไม่มีเวลามาบอกให้เขาเดี๋ยวเราขอท่าสมาธิสักหนาทีไม่มีมันเอาเราเลยครับมันเอาเราเดี๋ยวนั้นเลยเพราะนั้นเราจะตอบสนองตรงนี้อย่างไรด้วยความเมตตาใช่ไหมด้วยสิ่งที่เป็นความดีอครับเราเห็นเขาไม่ดีมาอย่างเงี้ยเราจะ มีเมตตาเออมันก็สัตว์โลกนะมันก็เป็นโทษของสังสารวัตนะเราอดทนเอาก็แล้วกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันคนคจะคิดอย่างนี้ได้จิตคุณต้องมีกำลังอือจริงครับจริงๆเลยแล้วเราเราจะต้องเปิดกว้างกับความจริงมันก็ไม่ได้มีใครดีมาตั้งแต่แรกนะทุกคนก็ค่อยๆศึกษาฝึกหัดเอาพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้อาศัยความเมตตานะพราะองค์ก็จะไม่ไปหาองคุลิมาน ก็จะไม่ได้มีการสอนตรงนี้เกิดขึ้นถ้าไม่ได้อาศัยความเมตตาที่คอยใครจะมาแบบสอบถามปัญหาอะไรบ้าบ้าบอๆอย่างงี้พวกมานบั้งทั้งสิบหกองก็จะไม่ได้เห็นธรรมะอย่างเงี้ยถ้าไม่อาศัยบางทีก็ยอมให้เขามาถามหรือว่ามีกุศโลบายอะไรต่างๆบ้างก็จะคําสอนพระเจ้าจะไม่ได้ไปกว้างไกลขนาดนี้อแล้วการเบียดเบียนในโลกนี้มันจะมีขึ้นกว่ากันมากเลยทีเดียว การที่เรามานั่งฟังธรรมะอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีคําสองพระเจ้าที่คอยทวนกระแสะอยู่ทำให้ไม่มีการเบียดเบียนกันไปในวงกว้างเป็นระยะเวลานานอย่างสงกรามเป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยรหรือสองครามไประดับโลกอย่างเงี้ยก็เพราะยังมีคําสองพระเจ้ชาช่วยทวนกระแสะอยู่ได้บ้างที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหมอม ร, รัตพงว่าเรากำลังมุ่งเข้าสู่สัทธันตรกะกะที่มีการนนทำลายล้างกันใช่ตอนนี้เรากําลังสู่เข้าสู่ภาวะต่า นะถ้ามีใครพูดเรื่องอะไรคือเราให้สบายใจได้เลยว่ามันจะมีแต่ความไม่ดีเกิดขึ้นจากนี้ไปมากขึ้นและมากขึ้นให้สบายใจได้เลยเพแตะถ้าเราฟังข่าวไม่ดีมีข่าวร้ายเกิดขึ้นสบายใจได้เลยว่ามันเป็นอย่า ง, งานั้นแน่นอนอมันจริงอย่างที่มันจริง <c oughs> จริงอย่างแน่นอนมันไม่มีปัญหาเลยเพราะเราทําไงเราต้องรีบทําความดีเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทเพื่อเราจะได้มีที่พึ่งในเวลาที่ภัยนั้นมาถึงตัวเราครับคือพร้อมที่จะตายในทุกรูปแบบนะครับ เออผูก็ฟังก <PowerPoint> <uğ> ็ท่าเลยนะที่ที่ต้องทำที่ต้องทำแน่ๆก็คือว่าเราจะต้องไม่ประมาทใช่ครับอย่าประมาทมีสติตลอดแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรที่มันร้ายๆเกิดขึ้นนะนะมันมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปอย่างอื่นมันจะจะดีขึ้นมากนิดนึงหน่อยเอาอย่างสุขภาพของเราเนี่ยคุณกินอะไรบ้างอ่ะกินซัพพลีเมนต์วิตามิน C ีวิตามิน B ีวิตามิน E น้ำมันตปลากินมันเข้าไปกินมันเข้าไป มันยังไงก็ตายอยู่ดีอืมันก็ดีขึ้นเฉพาะช่วงเวลาที่ยาออกฤทธิ์แต่หมดฤทธิ์ยาเมื่อไหร่ก็จบพอเข้าไปครีมอ่ะทาเข้าไปครีมอ่ะมันก็จะดีเฉพาะตอนที่ครีมมันพาะออกฤทธิ์เท่านั้นเองหมดฤทธิมันก็จบอืซึ่งมันก็ถึงจุดที่มันต่อกันไม่ได้อีกแล้วมันก็แตกเราก็ตายแตกแตกดับไปแต่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ไม่ทําอะไรกับร่างกายมันก็ทําบ้างการรักษามันก็ไปตามระบบใช่ไหมใช่ครับแต่เราก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลัง ยังเป็นผู้ที่ยังผาสุกอยู่ได้ถ้าเวลานั้นมาถึงอเพราะเราต้องเอาความดีของเราเนี่ยชนะความชั่วครับด่ากันว่าการมีในบ้านเราก็อดทนเอาถ้าเราด่าเขาว่าเธออย่าด่ากันสิคุณทําไม่ได้คุณทําไม่ได้ไม่ถูกเลยอย่างวัดปาาเราไหนโศกอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเราจะมาเที่ยวตะโกนคุณต้องหลีกเล่นนะหยุดนะอย่าพูดนะพูดไม่ได้นะอย่างงี้เราทําไม่ได้เลยเพราะว่าเรายังพูดอยู่แล้วเรจะไปบอกให้คนึ่งก็หยุดพูดมันไม่มีทางครับ มันไม่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าผู้รู้เช้ายังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อยู่จะมาบอกให้คนอื่นเป็นคนมีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เพิ่ผิดในกรรมเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือถ้าผู้รู้เช้าไม่ได้มีศีลที่ละเอียดลงไปถึงขนาดที่ว่าเป็นมัชชีมศีลจุลศีมหาศีลใช่ไหมไม่รับเงินรับทองแล้วผู้รู้เช้ายังจะมาสอนให้คนอื่นมาประพฤติตามศีลถึงแม้จะขั้นหยาบๆมันก็ยังยากอย่างพระสงฆ์อย่างเนี้ยเราบอกว่าเราไม่ได้ทำหากินใช่ไหมแต่เราสอนให้คนอื่นทำหากินอย่างดี เอ๊ะมันดูขัดขัดกันนะคือการเลี้ยงชีพของสมณะเนี่ยนะก็คือการไปบินดบาบัดใช่ไหมมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นต้องลุกจากที่นอนนะแล้วก็บินดบาดด้วยปลีแคลงของตัวเอง น, นี่คือการหาเลี้ยงชีพของสมณะทําไมไม่ทําเหมือนกับคารวัตทั่ ว, ว, วไปเขาต้องไปทํานาไปออฟฟิศทางานเราก็มีงานทําเหมือนกันนะงานของเราก็คือการเดินจงกรมทั้งสมาธิในการหาเลี้ยงชีพของเราก็บริสุทธิ์ในการเดินไปเรียกว่าพิกขาจาร์ซึ่งอา่าจะไม่เหมือนกันแั้วทำไมคุณบอกให้คารวัต ไปทำงานความเพียรเป็นเครื่องรู้ขึ้นนะทำเองก็ได้จัดให้กระทำก็ได้ถ้าไม่พระไม่ทำอย่างนั้น <c oughs> ก็ความบริสุทธิ์มันคนละระดับกันนะความบริสุทธิ์ในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่ไปทำอย่างนั้นมันต้องมีความขวนขวายมากทําให้การบรื้อพรหมจรรย์ยจะไปไม่ได้เพราะเราทำไงก็ขวนขวายน้อยเอาเรกินเท่าไรก็กินเท่าที่ได้มาปิณบัตได้เท่าไวก็กินเท่านั้นนี่คือความบริสุทธิ์เป็นขั้นๆัขึ้นไปนนี่คือการหาลิงชีพของพระซึ่งจะบริสุทธิ์ตามระดับขั้นของแต่ละคน แต่พอ<ช>เรามองเห็นประเด็นที่ว่าเมื่อธรรมะหากินแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่เกิดจากการธรรมะหากินถูกไหมมีภย<ช>ัยหลายอย่างมันความประพฤติปรมจรของเราจะไม่บริสุทธิ์เมื่อเราประพฤติพรมจรไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะไปบอกสอนใครมันจะไม่ได้เพราะนั้นมันจะมีความระดับขั้นของความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำไมพระเจ้ายังบอกสอนให้คนอื่นไปธรรมะหาเลี้ยงชีพทํางานอย่างกยันกระันแข็งในขณะที่บอกอีกบุคคลหนึ่งนะให้เลิกละทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็แล้วแต่ระดับของบุคคลนั้นน่ะนะอืใช่ครับระดับอเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเขาต้องการศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปเรามีทางอยู่อย่างเว็บไซต์เพียวธรรมะของเราเรายังมีทางไปอยู่ทําให้ดีขึ้นกว่า น, นี้ได้ถ้าเรามีตัพย์ำปัจจัยต่างๆเพิ่มข้อมาเพียงพอเราก็จะไปลักษณะนี้ครับดีครับประเด็นถัดไปที่จะพูดในคราวนี้นะคือเรื่องของการสรรเสริญชื่อเสียงเยินยอเนี่ยอาจมาต้องบอกงี้ผกว่าเมื่อ สมัยก่อนๆตอนแรกๆของเว็บไซต์เปียวธรรมะเนี่ยเราจะไม่ได้มีใครจะเข้ามาดูอะไรมากแต่ก็มาดูนิดๆหน่อยเดี๋ยวนี้มันก็มีขยายวงกว้างมากขึ้นไปมากขึ้นครับอ่ามากขึ้นไปคลักษณะนี้มาขนาที่ว่าตอนตอนนี้ทราบว่ามีมีหลายท่านที่เป็นแฟนประจําเนี่ยคือมาจากต่างประเทศนะครับตอนแรกผมดูว่าเฉพาะเมืองไทยนั่นแหละดีมากเลยก็มันก็ไปเรื่อยๆนะทีนี้ว่าในวงการขยาย ตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสิ่งที่ตามมาก็คือชื่อเสียงในกิจยศเสียงสรรเสริญเยินยอจะมีคนชมแรงต่างเข้ามามาบอกให้ได้เลยว่าอันนี้ก็เป็นคนชมนะคนชมของคนที่ยังสแสวงหายังเป็นเสขะอยู่บ้างนะทีนี้ว่าสิ่งที่เราสแสวงหาจริงๆเนี่ยนะคือเสียงสรรเสริญเยินยอที่มาจากพระอริยเจา้าพระอริยเจ้าเนี่ยจะสรรเสริญอยู่2 ส, สิ่งนะคือศีล น, นะอันเป็นไทยจากตัณหาและทิฏฐิ อันเป็นไปเพื่อสมาธิอันศีลอันพระอริยเจ้าสรรเสริญอันนี้คือบดเพียรชนะที่พระเจ้าตรัสไว้นี่ข้อที่1ข้อที่2คือความมีสตินะที่พระอริยเจ้าเนี่ยสันเสริญว่าเป็นผู้ผู้นั้นเป็นผู้มีอุเบกขาอยู่เป็นปกติสุขในชานที่สามเพราะฉนั้นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งฟังรายการนี้อยู่นะคุณมีศีลไม่ทุรุไม่ด่างไม่พร้อยอันพระอริยเจ้าสัรเสริญแนะหรือคุณปฏิบัติจนไปถึงได้อุเบกขาชนิดที่พระอริยเจ้าสรรเสริญ แม่คุณเนี่ยควรสรนเสริญจริงๆเพราแทนท่านหมอตะตะบงหรืออาจารมานะเป็นคนมีศีลและเป็นคนปฏิบัติจนได้ถึงชั้น3เราจะยอมรับคําสันเสริญนั้นอย่างเต็มภาคภูมิแต่คําสันเสริญอื่นๆที่มาเราก็ฟังเอาไว้ดีแล้วถ้าท่านได้เห็นธรรมะเราก็อนุโมทนาด้วยครับอันนี้คือประเด็นของการสันเสริญขอแก้ความผิดนิดหนึ่งในตอนที่51าสิบเอ็นได้พูดถึงเรื่องอะไรครย์ ไดพดถึเรื่องอริยรัพย์ที่บอกอริยทรัพย์6ประการใช่ไหมจริงๆได้ตรวจสอบข้อมูลมาจากคุณนัทกุศลวงศ์วานิทได้ส่งข้อมูลมาว่าจริงจอริยรัพท์เนี่ยมี7อย่างคือศรัทธาศีลใช่ไหมฮิริโอตปะวิริยะปัญญาแล้วก็จากะมีงหมด7อย่างเจ็ดอย่างนี้คืออริยรัพท์เพราะฉะนั้นก็แค้ไขให้ถูกต้องก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเปรียบเสมือนเงินที่หล่นมาจากฟ้า ที่เราจะได้รับได้อริยศัพย์7จประการท่นขออีกรอบอีกรอบได้ไหมครับมีศรัทธาเาประการศาสีนสีหิริหิริคือความละอายต่อบาปโอตปะโอตปะคือความกลัวต่อบาปใช่ไหมครับใช่หรกับโอตปะโอเคแล้วก็ห้านะคือความเป็นพระหูสูตรพระหูสูตรข้อที่6คือจาระคจาะคและข้อที่7คือปัญญา ปัญญาใช่ที่พูดไปเมื่อสักครู่คือศรัทธากับวิริยะกับสมาธินี่นจะอยู่ในหมวดของอินทรีย์นจะไม่เกี่ยวในข้อนี้ถ้าพูดถึงอริยสัพจ์เจ็ดนะคือศรัทธาศีลหิริอตตะพระหูสูตรจาระแล้วก็ปัญญาเจ็ดอย่างครับเจ็ดอย่างนี้คือต้องขอบใจท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าเผว่าเราเห็นข้อผิดพลาดในการที่ขอกาศแล้วก็ ในการที่จะบอกสิ่งที่ถูกต้องหรือมีความเห็นอะไรต่างเนี่ยเราบอกกันได้พูดคุยกันได้แต่มันจะเป็นความเจริญในธรรมวินัยนี้ต่อไปรเราน้อมรับนะครับเพราะว่าคงภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้านี้กว้างไกลแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับบางทีก็หลุดหลุดหลุดรอดลอ ด, ลอ ด, ลอดไป ช, ช่วยกันแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีข้อมูลอะไรต่างๆก็ส่งกันเข้ามาได้ทีนี้ก็ถ้าจะไปด่า ก, กันว่ากันว่าท่านสอนผิด ที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ควรทำถ้าจะไปพูดโดยส่วนรวมว่าไอ้นี่ผิดผิดนะอันนี้ก็ไม่ควรทำก็ควรจะข อ, อกาสแล้วก็ส่งมาตรงไหนที่ผิดเราก็จะค่อยๆดูแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องได้ อ, อย่างนี้ถึงจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องนะอตรวจสอบคำสอนของพระพุทธเจ้าครับอือติเพื่อก่อนถามว่าคุณจะต้องเอาเบนชมาร์กจากคำสอนของพระเจ้านะถ้าคุณเห็นข้อที่ผิดนะคุณก็บอกที่ถูกมาได้ ถ้าการบอกสิ่งที่ถูกนี่ก็ไม่ได้เป็นการติถูกไหมแต่เป็นการต ร, ตรวจสอบข้อมูลตรวจสอตรวจสอบข้อมู ล, มลคือคนถ้ามันจะติเนี่ยเรานั่งเฉยๆก็ถูกติได้จริงครับเพราะฉะ น, นั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะก่อหรือไม่ก่อถ้าคนยังมีกิเลสอยู่มันก็เป็นความเห็นที่จะต้อง question mark ใส่เครื่องหมายคําถามไว้ก่อนครับแต่ถ้าเป็นการตรวจสอบนะโดยมีหลักฐานแน่นอนเป็นคำพูชเจ้าว่ า, างี้อันนี้แหมเยี่ยมมากเธอเรียกว่าจะสามารถทํา สัรมนี้พระสัตรมนี้ให้ตั้งอยู่ได้นาะนให้ตั้งอยู่ช่วยหมุนธรรมจักรใช่ต่อไปได้ครั บ, รบเราเรียกเป็นบริษัทชลเลิ์นะครับถ้าอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องครับประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้นะคือเรื่องของจิตที่กระสับกระสายไม่สงบครับพระเจ้าเคยพูดถึงตอนที่พระองค์เนี่ยนั่งทําความเพียรอยู่ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นะทำความเพียรเช่นอั้นลมหายใจบ้างอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าอั้นลมหายใจจนกระทั่งท้อง เขารว่าถูกลมเนี่ยแทงลงไปที่ท้องท้องเจ็บเจ็บมากถูกลมแทงขึ้นไปที่หัวหัวปวดมากถูกลมแล่นออกหูนี่หูวปวดมากนะเป็นความเพียรที่ทนได้ยากนะแต่จิตใจเนี่ยก็ยังมีสติอยู่สตินิ่แน่วแน่นิ่งไม่ไปไหนเลยนั้นะแต่กายกระสับกระสายไม่สงบเพราะกําลังของความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอานะแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนที่พลิกไปพลิกมานั่งไม่สงบอันนี้เราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเขาไม่มีสติ เขามีสติอยู่แน่นอนคือเขาอาจจะมีสติได้อยู่แต่กำลังของความเพียรที่ตนได้ยากเสียดแทงเอาทำให้เขามีกายกระสับกระส่ายไม่สงบออานี่คือประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจอยู่คือเรามีสติอยู่นะแต่กายเราไม่นิ่งกระสับกระส่ายได้แล้วก็ถ้าปวดจะทำให้กายนิ่งน่นก็จะต้องเป็นลักษณะของกายสงบระงับนั่นก็จะเป็นสมาธิอีกระดับหนึ่ง ใช่ซึ่งพระพุทธ า, าบอกวาอ่าผู้ที่มีกายหิวโหยเกินกว่าเหตุดังนี้จะทําความสุขชนิดนั้นให้เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นการง่ายนั่นจึงหันไปกินกลืนกินอาหารหยาบใช่ไหมแสดงว่ากําลังความเพียรที่ทนได้ยากเนี่ยกำลังความเพียรที่ทนได้ยา ก, ย ก, ายยากอาจจะทําให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้อนอย่างกรณีรของที่หมอรัตนพบอกว่าไปหลีกเลนเข้าคอสมาเนี่ย เ, เราก็จะพยายามที่ทําให้จิตเป็นสมาธิใช่ครับม แต่พอเราเจอสิ่งที่ทนได้ยากเสียดแทงเอานะักกายอาจจะกระสับกระสายไม่สงบได้แต่ขอให้คุณมีสติไว้ก็จะจะเป็นการดี ม, นะมีสมาธิไม่มีสมาธิก็ค่อยๆทําค่อยๆปรับไปให้จิตต้องเป็นสมาธิให้ได้ก็บเรากันครับพอจิตเป็นสมาธิได้แล้วกายก็จะสงบระ ง, งับได้ครับเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าพูดไปชัดเจนนะว่าตอนที่พระองค์กายกระสับกระสายอยู่เนี่ยมีสติอยู่นะแต่กายกระสับกระสายเพราะความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอา เราก็ทําความเพียรอย่างไรล่ะถึงจะถูกต้องแตาทำมากเกินไปก็จะฟุ้งซ่านไปคิดนั่นคิดนี่ปรับปรุงอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นการฟุ้งซ่านไปล่ะจริงครับอแต่ถ้าเราไม่ทําความเพียรเลยน้อยไปมันก็เกลียดคลานเลครานขี้เียครานไม่ยอมทําอืมครับเลยต้องอืการสายกลางใช่ทางสายกลางที่นี้ก็หมายถึงว่าเราก็เจริญอินทรีย์ให้พอดีทําความเพียรแต่พอดีครับ เอ๊ะเจ้าพอดีนี้แต่ละคนนี้พอดีเหมือนกันไหมครับท่านหรือว่าคนหนึ่งพอดีแบบหนึงอีกคนหนึ่งพอดีอืตรงนี้ความพอดีตรงนี้ก็วัดจากระดับของสมาธิว่าเรามีสมาธิระดับไหนเราทําความพอดีให้เกิดขึ้นได้นั่นคือจุดที่พอดีอจิตที่อริยมรรคทั้ง7อย่างบริการเจ็ดอย่างแวดล้อมจิตที่เป็น1 จ, จิตที่เป็นหนึ่งนี้เรียกว่าสมาสมาธิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเอาตรงเนี้ยเป็นหลักเกณฑ์ หลักการในการที่เจริญความเพี่ยนแต่พอดีอย่างคนที่มาวัดปารณัยโศกอย่างเงี้ยบางคนก็นั่งพื้นไม่ได้<ม>เราก็ให้นั่งเก้าอี้บางคนนั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้งั้นเราก็ให้พิงหลังซึ่งตรงนี้ถ้าผมว่าเราไม่ให้เขาทําเลยไม่ให้เขาพิงหลังเลยคุณต้องนั่งตัวตรงอย่างเดียวนะมันก็อาจจะไม่พอดีของเขาใช่ครับแล้วเราต้องมีข้อยืดยืนตรงนี้ให้ได้บ้างพอเขาคลายความกังวลตรงนี้ไปได้ติดเขาตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เราเห็นหลายเคสมากเลยหมารัตพงศ์ ถ้าว่าเราไม่อนุโลมไม่มีการนั่งเก้าอี้หรือว่ามีที่พิงหลังเนี่ยเขาจะทําไม่ได้เพราะ<ม>ว่าจิตของเขาจะกระสับกระสายไม่สงบเพราะความเพียรที่ถนได้ยากเสียดแทงเอารบใช่ไห ม, มแต่พอเราอนุโลมตรงนี้นะจิตของเขาตั้งมั่นได้ออ<ม>อื่าเพราะว่ากําลัง ค, ความเพียรตรงนั้นไม่สูงเกินไปครับทีนี้เราก็ไม่ได้ว่าถึงขนาดว่าต้องบังคับบีบคอคุณนี้มันนั่งนะเอาเชือกลัดคอไว้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็มีอาหารให้กินมีที่นอนอย่างพอสมควรให้อยู่สิ่งที่คุณต้องแสวงหาคือ ในภายในครับซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นเช่นคุณให้ฟังเพลงก่อนอฟังเพลงพอจิตเริ่มสงบและคุณปิดเพลงซะแล้วทําไงฝึกให้เราได้อย่างนี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกไงครับบางคนต้องไปอยู่โรงแรมห้าดาวนะคุณถึงจะส ง, งบทุกคนต้องดีกับชั้นนะเอโอเคคุณทุกคนดีกับคุณแล้วไม่เป็นไรคุณจิตส ง, งบได้แล้วคุณปล่อยวางตรงนี้ได้ไหมพราะมีสิ่งที่คนคนเขาทาไม่ดีกับคุณแล้วคุณก็ยัง มีจิตนิ่งอยู่ได้อันนี้ก็เป็นการฝึกที่คุณจะต้องทำต่อไปนะอืมครับี<ป>ก็ในนี่คือในเรื่องของความเพียรที่เกิดขึ้นกับสติแล้วก็สมาธิครับนะอืมเพราะฉะนั้นในรายการตอนเอพิโซดที่ห้าสิบสองปีที่สองนี้<ฮ>ก็คิดว่ามีคำถามา ม, มีคาถามจากตอนที่ห้าสิบพอดีก็ยังคือตอนอัดรายการห้าสิบเอ็ด คำถามอันนี้ยังไม่มา๋ อ, อ จ, ะจะขออนุญาตถามได้ไหมครับถามได้าได้ก็ตอนที่ห้าสิบนะครับจากคุณปณิธิเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับคือท่านบอกว่าท่านปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิและสวดมนต์ทีนี้ชีวิตค า, ารวะเนี่ยบางทีงานก็ยุ่งมากมก็ทำให้การปฏิบัติลดลงหรือหายไปเลยทีนี้พอจะกลับมาปฏิบัติบางทีก็ยังไม่ทันได้เริ่มเอาจิงเลยอา ยุ่งอีกละทําให้เหมือนกับ ว, ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ต่อนเนื่องขาดช่วงก็เลยอือยากจะขอคําแนะนําว่าท่านควรจะทําอย่างไรกับชวิตคลรวัตแบบนี้นครับก็คือว่าเราไม่ให้อาหารของจิตอยู่เรื่อยๆนะพอจิตไม่ได้รับอาหารเนี่ยหมายความว่าอาวิชาเนี่ยก็เกิดขึ้นวิชาไม่ได้รับอาหารอาหารของวิชาก็มีในที่นี้พระพุทธเจ้าพูดถึงโพชงเจตในอาหารของโพชงเจตก็มีไม่ได้อยู่เกิดขึ้นเฉยๆพระพุทธเจ้าพูดถึง อริยสัจสีขอไปสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสีส่ก็ไม่ใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารแต่เป็นธรรมชาติที่มีอาหารง้นของสติปัฏฐานสีก็คือการที่เรามีสติสมัมปชัญญะครับอนะันนี้พระเจ้าไล่มาไล่มาเรื่อยๆนะคือการที่ไม่มีการที่มีเขาเรียกว่าสุจริตสามนะ <AUDIO. S 2> นะการที่มีสุจริตสามการที่สํารวมอินทรีย์การที่มีฮิริอัตตาปาการที่ได้ฟังธรรมการที่มีศรัทธาการที่มีเพื่อนดี พวกนี้จะเป็นอาหารของกันและกันไล่กันไปและกันไปตามระดับอย่างนี้นะคุณมีเพื่อนดีคุณก็มีอาหารดีๆนะทำให้คุณจิตคุณมีสัมีศรัทธามีการฟังธรรมการฟังธรรมมีศรัทธาก็เป็นอาหารของการที่จะทำให้เราเจริญสุจริตทั้ง3ามกายวิจารใจเป็นสุจริตกายวิจารใจเป็นสุจริตก็จะเป็นอาหารทำให้เรามีฮิริอตตะปะอะไรต่างๆอย่างนี้นะไล่กันไปอาจจะสลับกันบ้าง แต่เป็นอาหารของการและกันไล่ไปอย่างนี้มีโพชงเจ็ดจิตเรามีวิชาวิมุตติเกิดขึ้นเราจะค่อยๆระบวางอาวิชาค่อยๆดับไปจางคลายไปแล้วเราก็จะไม่หลงละเริงไหลายไปตามสิ่งที่ควรจะประมาทครับมันก็จะเป็นอาหารของกันและกันอย่างนี้ถ้าเพื่อ น, นดีหาไม่ได้เลยทําไงคุณต้องเป็นช้างมาตัางค์ในที่ออฟฟิศมีแต่คนเบียดเบียนกันทําไงคุณต้องเป็นช้างมาตัางค์ที่ออฟฟิศมีแต่คนไม่ได้เรื่องเลยทําไงคุณต้องเป็นที่พึ่งของเขา <amigo S 2> <น>อนนคุณจะต้องเป็นลหลักของตัวเองนะ ครับแล้วก็เผยแผ่ผู้อื่นด้วยก็ถ้าเราทําได้ถ้าทําไม่ได้เราเอาตัวรอดไปก่อนถ้ามีคนจะด่าว่าผู้นี้เอาแต่เอาตัวรอดอย่างเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าธรรมะนี่ถ้าเราเอาตัวรอดแล้วเธอก็ได้ประโยชน์เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ให้คุณปณิทินทําอย่างนี้นะแค่ว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยทํายังไๆแค่ว่าเราตื่นเช้ามาคุณมีเวลาไหมสักห้านาทีสิบนาทีแล้วคุณนั่งสมาธิก่อนเลยครับก่อนนอนคุณมีเวลาไหมสักหนาทีสิบนาทีคุณทําเลย นั่งรอรถเมย์อยู่่คุณคุณมีเวลาไหมห้านาทีสิบนาทีคุณทําเลยมันไม่ใช่ไม่มีเวลาหรือว่าเรายุ่งมากยุ่งจนไม่มีเวลาหายใจเหรอคุณไม่ได้หายใจเหรออืมคุณหายใจอยู่แล้วเพียงแคุณลืมลืมที่จะมาระลึกถึงโลมหายใจลืมนึกถึงลมหมใจไปก็นึกซะสี่นึกแค่นั้นแหละเป็นอาหารที่จะทำให้โพชงเกิดขึ้นได้โพชงเกิดแล้วจะไม่จิตเราเบาขึ้นได้ไม่ไหลไปตามสิ่งต่างๆได้ครับมันเป็นอาหารอกันละกัน น้ำเราคือเรากินทีละนิดละนิดแต่จะกินบ่อยๆฝนก็ตกทีละเม็ดละเม็ดน่ะแต่ตกตลอดไม่หยุดมันก็จะทำให้น้ำท่วมได้ไหลไปสึงทะเลได้เพราะฉะนั้นเราทำเรื่อยๆซ้ำๆย้ำๆนะไม่ต้องมากเอาทีละน้อยๆบางคนต้องฉันต้องขอเวลา1ชั่วโมงสวดมน์นะแต่ละเหลือแค่ย5สิบห้านาทีไม่ทำก็แล้วกันเดี๋ยวไปเล่นอินเทอร์เน็ตก่อนนัมันไม่ได้ไง คุณปรคุณไปเลเวลาอีกยี่บนาทีคุณก็ทำยี่สบห้านาทีก็พอนะบทสองบทก็พอหรือว่าไม่ต้องเสือกไปนั่งสมาธิก็ได้ครับครับมีขอแบ่งปันส่วนตัวนิดนึงครับจะจะเจริญอย่างดูลมหายใจบางทีเหมือนโดนด่าอย่างเงี้ยเอาตรงๆหรือเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเหมือนจะพยายามกําหนดว่าถ้าโดนด่าหรือใครพูดไม่ถูกโหจะพยายามอืมอืมให้ให้เป็นจุดเริ่มของการการเรียกสติมา ก็ก็รู้สึกใช้ใช้ได้พอสมควรครับหรือว่าขับรถแล้วติดไฟแดงเจอไฟแดงเมื่อไหร่ก็เตรียมลมดูลมแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ว่าผู้เช้าเคยพูดถึงทาง่งถ้อยคําสําหรับการกล่าวหา5ประกา ร, รใช่ไหมด้วยข้อความจริงหรือไม่จริงเท็จหรือจริงหรือไม่จริงก็คือเท็จหรือจริงนะแล้วก็ด้วยจิตมีเมตตาหรือมีโทสะด้วยถูกต้องตามเวลาหรือไม่ถูกต้องตามเวลาด้วยวาจาอ่อนหวานหรือไม่อ่อนหวาน ในลักษณะนี้สี่ห้อย่างเนี่ย hmm. ถ้าเราจิตเรามีเมตตาอยู่มากขอแล้วเนี่ยเขาจะเอาไฟมาจุดเนี่ยมันจะไม่ติด oh. นะเหมือนกั บ, บอมีน้ำไม่น้ําใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราเอาไฟมาจุดให้ใจให้น้ําเดือดเนี่ยมันไม่ได้อ hmm. ใช่ครับนะหรือว่าจะเอารถแมคโครมาตักพื้นดินแต่นเนี้ยไม่ให้เป็นพื้นดินมันทําไม่ได้ hmm. เพราะ <Okay. S 2> ดินมันมีมากน้ํามันมีมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตทําจิตของเราให้เหมือนดินให้เหมือนน้า นีมีแต่ความเมตตา ม, มากๆเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับแผ่นน้ําเนี่ยมันเอาไฟมาใส่เอาตักดินออกไปมันทําไม่ได้อะไ้ที่หมอนรนัตพงศ์พูดถูกว่ารเราเตรียมไว้ก่อนเลยเราเตรียมน้ํำในจิตของเราไว้มากๆนั่นคือความเมตตานั่นคือบุญกุศลจิตเป็นหมากระตาจิตใหญ่จิตสูงจิตกว้างใช่ไหมพออะไรมากระทบกระแทกกระเทือนเราไม่สั่นไหวไม่คลอนแคลนมไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นครับ มันต้องทำอยู่เรื่อยๆทำซ้ำๆทาย้ำๆทำอยู่นั่นแหละเติมเข้าไปเติมเข้าไปมันไม่เต็มหรอกนิพพานเต็มไม่ได้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะพอถึงสักวันหนึ่งมันก็ทะลุไปเองอครับทีนี้มีคำถามต่อเนื่องของผู้ใช้นาว่าจรีนะครับก็คือบอกว่าสืบเนื่องจากตอนที่44ได้ยินคำภาษาบาลีว่า สังขหิตาและสังขหิตาแปลว่าอะไรครับจริงๆอาจมาใช้คําว่าสังขตธรรมกับอสังขตธรรมน่าจะเป็นอย่างนั้นที่เราพูดคําว่าสังขตะกับอสังขตะดใช่ไหมคำว่าสังขตะก็คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอสังขตะก็คือสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าตั้งอยู่มันก็มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏมีเสื่อมมีดับอแล้วก็ปรากฏมีการเกิดปรากฏมีกรรมเสื่อม <c oughs> นะก็อย่างที่สามถ้าตั้งอยู่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏ น, นี้รเรียกว่าสังคตธรรมอย่างเช่นอะไร<ฮ> <c oughs> เสียงที่เราได้ยินอยู่ตรงนี้อ่าครับมันเกิดขึ้นนะมันดับไปนะตอนที่มันอยู่เนี่ยมันก็มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏนะครับฉนักขื่ อ, อเช่นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นนะเราได้ยินบ้างเราจิตไปทางอื่นเราก็ไม่ได้ยินแล้วอืนี่คือเสียงที่เราฟังเป็นต้นเป็นสังคตธรรมอสังคตธรรมเป็นอย่างไรอสังคตธรรมก็คือว่าไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏไม่มีการเปลี่ยนแปลงออย่างเช่นอะไรอริยสัจสี่ไง ไม่ว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้อริยสัจสีก็ยังคงเป็นอริยสัจสีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อเป็นศัจธรรมใช่หรือสิ่งที่มีการเกิดปรากฏสิ่งที่ไม่มีการเกิดปรากฏเช่นอะไรในนิพพานไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีความดับปรากฏความเดืดความดับไม่มีไม่เกิดก็ไม่เสื่อมไม่ดับใช่ไหมครับคือค้าตั้งอยู่ก็จะไม่เสื่อมไปครับอย่างเช่นอริยสัจสี แต่เสียงที่นําข้อมูลอรารยศรีไปเป็นสังคตรธรรมแต่ข้อมูลที่เป็นอรารยศรีเนี่ยเป็นอสังคตรธรรมอืมครับนนจริงจริ ง, รงครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกความแตกต่างเนาะของสังคตงกับอสังคตาครับมีคําถามตอนเนื่องของคุณจรีถามว่าปเปลี่ยน9ประโยคแล้วก็พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรพุทธศาสนาอะไรมีความสําคัญอย่างไรวันทีเราประเด็นก่อนอ่าเป็นหลักสูตร อะไรครับในเรื่องของอภิธรรมก่อนนะคืออภิธรรมเดียวกับว่าธรรมที่ยิ่งธรรมที่ลึกธรรมที่สูงธรรมที่แม่ละเอียดเยล็กซึง้งนะโดยพุทธวจนะพุทธเจ้าก็จะพูดถึงโพธิปักกียธรรม37คือเรื่องระดับอของเหนือโลกที่เป็นไปเพื่อ น, นิพพานเพราะนั้นอะไรที่มันหลุดโลกไปเลยหลุดโลกนี้คือเข้านิพพานไปเลยนะนั่นแหละนั่นแหละคือส่วนที่เป็นอาบุญคืออาบุญนี่ไม่ใช่บาสนะแต่ส่วนที่เป็นหลุดออกจากบุญทั้งและบาศ นคันคือ ร, รู้อริพวกนี้เป็นอภิธรรมเป็นโดยพุทธวจนะนะทีนี้ในอภิธรรมที่เขาเรียกเรียกกันเนี่ยมันจะมีอภิธรรมบิดกใช่ไหมก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าในพุทธคัมภีร์ของพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ร้อเป็นี่ยเป็นพุทธวจนะแต่รประเด็นถ้าเราพูดถึงพุทธวจนะก็จะเป็นส่วนเฉพาะที่เรียกว่าเป็นอภิธรรมก็คือโพธิปัจจะธรรม37ครับอริยสัจตรงนี้เท่านั้นเองที่เป็นอภิธรรมส่วนอื่นก็ไม่ใช่พุทธวจนะ นะแล้วก็คัมภีร์อื่นๆที่มาในพระไตรปิฎกนะ92เล่มมีโรวมอัตถาด้วยหรือว่า35เล่มไม่รวมอัตถาเนี่ยมันไม่ใช่พุทธวจนะร้อยเปอื์ซนตจริงๆพุทธวจนะร้อเเซนก็คือส่วนแค่เป็นธรรมเป็นวินยัยส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นะพะพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติสาอย่างนะบัญญัติแค่สอย่างคือวินัยกับธรรมะวินัยกับธรรมครับซึ่งอภิธรรมก็มีอภิวินัยก็มี คือ ค, ความที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันของธรรมะของวิไนน์นี่คือครเรื่องของอภิธรรมอภิวิไนน์แล้วถามว่ามันเกี่ยวข้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรเมันก็เกี่ยวข้องตรงที่ว่าคนที่บัญญัติพวกนี้ขึ้นมาก็เป็นสาวกที่ตามมาในภายหลังหรือรเป็นคนไหนก็ไม่รู้นะที่อาจจะมาพูดถึงเรื่องนี้โดยที่อาจจะตัวเองอาจจะเห็นธรรหรือไม่ทําเราก็ไม่รู้หลักแต่ก็เป็นสิ่งที่บั ญ, ญญัติเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่มีพระพุทธเจ้า ในเรื่องของรเรียนก้าประโยคก็คือการที่เขาเรียนภาษาบาลีกันับเรียนภาษาบาลีกัน<อ>ก็ระดับการแปลภาษาบาลี<อ>เพราะว่าคำพี์ในทางคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมาในภาษาบาลีเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับซึ่งในสมัยก่อนก็ยังไม่มีการแปลที่เป็นเรื่องเป็นราวเพรา ะ, ะนั้นพระก็จึงต้องมีการเรียนภาษาบาลีและในหลายครั้งเนี่ยาการแปลอาจจะไม่เข้าใจมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็ต้องกลับไปดูต้นฉบับที่เป็นภาษาบาลี ในการเรียนรู้ภาษาบาลีก็จะเป็นสิ่งที่ที่ดีอ่นะในความเป็นธรรมานะก็นับนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใ่ไหมครับคือสูงสุดเก้าประโยชน์ใช่ไหมครับตามลำดับตามลำดับใช่ครอืมครับอืมอืมก็แล้วก็ในเรื่องของเกี่ยวข้องกับคําสอนพระเจ้าอย่างไรก็คืออะไรที่เป็นคําสอนพระเจ้าเราก็เอาอนะอะไรที่ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์เราก็ยกออกไปก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงพูดถึงภาษาบาลีอย่างเนี้ย รเรียนการประโยคเขาเรียนแปลบาลีกันอย่างเงี้ยเราก็ดูตรงส่วนที่เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าส่วนที่ไม่ใช่คําสอนของพรุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นภาษาบาลีเราก็ยกไว้ก่อนเราเรามีวิธีดูคํำยังไงครับว่าอืส่วนไหนเป็นพุทธวจนะส่วนไหนเป็นอัตถะฐานก็ที่ฟันธงได้แน่นอนนะก็กลับเช่นว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายพวกนี้อนนนสารีบุตรอย่างเงี้ยนะที่มาในคำภี์พวกนี้นะ เดี๋ยวนี้เขมีการแต่งหนังสือเล่มเล็กๆเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาแล้วก็ดูกรอนอนนท์ดูกรอนสาดีบุตรดูกรอนพิสุทธิ์่างๆก็มีนะแต่ไม่ใช่คําพระเจ้าเลยนะอ๋อแล้วครับเอออันนี้มันจะไม่มีการ อ, อ้างอิงถึงอะไรอะไ ร, ะไรในพระไตรปิฎกเลย อ, อันมาก็เคยเห็นอยู่พวกคําทํานายต่างๆเนี้ยนะบอกพระเจ้าพูดกับพระอนนท์อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้มีที่มาที่ถูกต้องอ่ะคือแต่งขึ้นเพงว่างั้นเถอะคือแต่งขึ้นเองแล้วก็บอกว่าพระเจ้าเป็นใช้สำนวนการ เรียกเหมือนกับผู้เชาตแต่พอมาสำนวจดูสมดุลที่พูดจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของผู้เชาอยู่แล้วอ๋อไม่ไม่ใช่อีกนะไม่ครับใช่<ม>อันนี้เราก็อาวางไว้ก่อนหมายความว่ารเราก็ยกเอาไว้ก่อนนะครับ ม, มีนิดนึงจากตอนที่ห<ม>้าิบดคุณ<ม>คุณทิพย์แบ่งปันประสบการณ์มาคือไม่ใช่คำถามนะท่านแบ่งปันว่าหลังจากที่ท่านได้ฟังได้ศึกษาพุทธวจนะเนี่ยโหชีวิตท่านเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเหมือนกับว่า เป็นไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าท่านก็เล่ามาหลายเรื่องนะครับเรื่อง<ด>ของนะอุบัติภัยเองหรือว่าเรื่องของการงานครอบครัวอย่างเงี้ยเออรู้สึกรู้สึกปลื้มแล้วก็อนุโมทนาไปกับท่าน<ม>ด้วยว่าอืมันมันได้ผลจริงๆเนี่ยมันเหมือนว่าที่ท่านใช้เคยใช้คําว่าบรรลือเสียงนาใช่ไหมครับใช่แล<ม>้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะรเราดูง่ายๆเลยว่ามันจะเป็นทรัพย์โภคซัพย์คือถ้าจะพูดคืออรยิยทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับกับบุคคลผู้นั้น แสดงว่าคุณทิพยเป็นคนที่มีศรัทธาและเป็นคนที่มีศีลด้วยกลัวแล้วก็ละอายต่อบาปด้วยเราก็ยังศึกษาสิ่งที่เป็นพุทธวจนะนะใช่ไหมคุณยังเป็นผู้สูตรด้วยนะแล้วก็มีแสดงว่ามีการสละมีการให้ปั่นรู้จักมีปัญญาในการปล่อยวางทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตมีเงินมากขึ้นครอบครัวดีขึ้นอันนี้คืออริยทรัพย์อนี่เป็นคารวาชั้นเลิศนะครับเนี่ยอก็ต้องมีสีองค์ประกอบใช่ไหมคารวาชันเลิศ ถ้าคุณมีทรัพย์ที่เกิดจากความเพียรคุณรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในห้าสถานสี่สถานแล้วก็คุณรู้จักปลีกรรม5อย่างโอ้มีประกรณหนึ่งแมเรื่องนี้ต้องสําคัญมากๆเลยคือเรื่องของเทวดาปลี่เทวดาปลีใช่เทวดาปรีที่เราเคยบอกว่าเป็นการบูชาเทวดาหรือการสงเคราะห์เทวดาใช่ไหมนี่คำว่าเทวดาตรงเนี้ยเราไปมัวตีความว่าเป็นเทพเป็นเทวดาที่มีกายที่เรามองไม่เห็นเป็นพระอินทร์พระพรหมอะไรพวกนี้ ซึ่งจริงๆแล้วพอมันดูความหมายเบื้องลึกเนี่ยมันลิ่มวงอรมาไปนั่งสมาธิเนี่ยนะทำแล้าเราพบว่าเออเขาว่าเทวดาเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไปหลายอย่างอย่างคนที่มีศีลอย่างเงี้ยก็เป็นเทวดาอ๋อแล้วครับคนที่มีเนี่ยครับใช่ศีลโอคนที่มีศีลก็เป็นเทวดาคนที่มีจาระฆามีความดีพวกนี้เป็นเทวดาหมดอย่างบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยบางคนบอกเป็นหมอเทวดาหมอเทวดาเราไปดูเขาเนี่ยนะเขาไม่ได้มามียาวิเศษหรืออะไรนะ แต่เขาเป็นคนที่มีเมตตาถามไทยคนไข้บอกสอนอย่างดีอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าตรวจแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแต่ถ้ดูแลละเอียดบอกสอนอะไรต่างว่ามีจิตเมตตาขนาดนี้นี่เป็นเทวดาจริงนะมีจิตเมตตาเนี่ยคือคือความคคเครื่องไปอยู่กับพ ร, มรบหมจะมาเป็นพรหมวิหารเป็นความเป็นธรรมที่ทําให้เป็นเทวดาในความมีเมตตาอย่างเงี้ยเราเคยพูดเรื่องนี้ในตอนก่อนๆนู้นที่ หมอเทวดาพยาบาลเทวดาบุคลากรที่เป็นเทวดาเทวดาเนี่ยมีใจของเทวดาเนี่ยเรามีอยู่ทําหมเรามามองว่าคนอย่างนี้แหละคือเทวดาการเอาทรัพย์ให้คนแบบนี้คือการอนุเคราะห์เทวดาเทวตาปลี<อ>บางทีเราดูรายการทางทีวีมารดงที่เขามีคนแบบโอ้ยมีความทุกข์มากแลก้วก็แต่เขาเป็นคนดีนะครับเช่นพิการแต่เป็นคนดีคอยเลี้ยงดูแม่บางคนเป็นโรคเอสแต่คอยไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นเทวดาเข้าใจไหม เราพอเราดูแล้วเราอยากให้เงินเขาเลยใช่ครับเราอยากให้อยากบริจาคนี่แหละคือเทวดาปลีอ๋ออีกอีกในยะหนึ่งในยะหนึ่งซึ่งไม่จาเป็น <c oughs> ต้องเป็นเทวดาที่เราจับต้องไม่ได้แต่เป็นเทวดา <c oughs> ที่เราเห็นตัวเป็นเป็นเป็นคนมีสีเป็นคนมีสมาธิเป็นคนมีปัญญาคนไหนมีสี <c oughs> ม, สมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละคือเทวดาละคนไหนมีจากกะการให้การบริจาคคนไหนมีศีลในที่เราดูแล้วเ ร, ลเรารู้สึกว่าคนนี้แม่นายกย่องเป็นเทวดา <c oughs> จริงเลยนะเป็นเทวดาเดินดินอย่างเงี้ยนะ กรงเงินให้เขเลยตกเลยครับเทกูลงเงินให้เขาเนี่ยคือเทวดาปลีปลีกับอันนี้เราบูชาอย่างนี้ดีกว่าเราเห็นได้ชัดเจนบูชาเทวดาพวกนี้จริงครับคือเทวดาปลีได้ข้อธรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับทีนี้ก็ในเพียรธรรมะพอดแคสต์เราก็วันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของสติใช่ไหมที่อ่า เราจะพูดไงคือการทำในใจในะการระลึกถึงจุดๆนั้น เ, เรื่องของสีสรรันของชีวิตคืออิธิบารสบ 4, เรื่องของธรรมะเพื่อประโยชน์ตนก็คือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยเรืรร่องของอาการเอาชนะความช่วยด้วยความดีนะเรื่องของการสรรเสริญที่ว่าคุณควรจะสรนเส ร, ริญสองอย่างคือในชั้นที่สามแล้วก็เรื่องของศีลับตัวอย่างเรื่องของอริยทรัพย์จากท่านผู้ฟังในเรื่องของการจิตกระสรรับกระสายไม่สงบเนี่ยกับเรื่องของสมาธินี่ก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วนกะ็ เรื่องเทวตาปลีครับเป็นถ้าเราใช้จ่ายทรัพย์ในห้าอย่างนี้เราจะมาคิดว่าจะดีมากๆแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าดีไหมหมอุ่งพงศ์ครับดีครับท่านก็กล่าวสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยปีสองห้าห้าห้านะครับครับก็คิดว่าในปีใหม่นี้เราเริ่มทําสิ่งที่ดีๆได้อาศัยเหตุของปีใหม่เนี่ยให้เราทําความดีตลอดไปน่าจะเป็นการดีมากโอเคครับแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์น้ครับนมหกรรมขอบพระคุณ อาจารย์ภัยบูลอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีครับเจรพ อ, อสาธุครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ